ภาษานี้มันก็เหมาะกับญาติโยมด้วยแปลว่าตั้งจิตมั่นว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แปลว่าขอถ้าขอนี่แปลว่าเอาแต่อธิษฐานนี่แปลว่าจะทำเดี๋ยวนี้มันต่างกันสมัยนี้เร า, เ อ, าอธิษฐานกันมากแต่เป็นการอธิษฐานเพื่อขอไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรก็แค่อาจจะมีเครื่องเส้นว่า้สักนิดหน่อยหรือว่าเอาเงินไป บริจาคก็ขอกันแล้วอันนี้ไม่ได้พึ่งความเพียรของตัวเองอธิษฐานจริงๆแปลว่าลงมือกระทําด้วยความตั้งใจมั่นอย่างเช่นอธิษฐานพรรษานี้ก็อธิษฐานว่าตั้งใจจะอยู่ในพรรษาให้ครบสมเดือนอยู่ในวิหารอยู่ในอาวาสอาวาเสอะอาวาเสะก็อาวาสอธิษฐานตั้งใจว่าจะอยู่ในอาวาสให้ครบสมเดือนโดยจะไม่ไปค้างแรมที่ไหน ถ้ไม่มีกิจจําเป็นพวกเราซึ่งเป็นคารวาสแม้ว่าจะครองเรือนแต่ว่าก็สามารถอธิษฐานได้ในช่วงค้าบัญชาอธิษฐานว่าจะถือศีลอุโบสถทุกอาทิตย์หรือว่าทุกวันก็ได้หรืออธิษฐานว่าจะกินอาหารมังสวิรัตอธิษฐานว่าจะลดละอบายมุขถ้าละไม่ได้ก็ให้ลดไม่ว่าจะเป็นเล่าบุรีหรือว่าอบายมุขอย่างอื่นเช่นการดูหนังฟังเพลง การเที่ยวห้างการเที่ยวกลางคืนนักเรียนก็อาจจะอธิษฐานว่าโทรศัพท์มือถือพันษานี่จะใช้แค่วันละครึ่งชั่วโมงนะไม่เกินนี้หรือว่าจะเล่นอินเทอร์เนต็ตจะเล่นเกมออนไลน์ไม่เกินวันละ1ชั่วโมงนะอันนี้ก็ได้หรือว่า2ชั่วโมงก็ได้ถ้าหรือว่าเล่นมา4ชั่วโมงต่อคืนนะต่อวันก็ลดมาสักหน่อยเพราะพวกนี้ก็เป็นอบายามุกอย่างหนึ่งนะ เดี๋อบายมุกในสมัยนี้ยุคบริโภคนิยมมันมีหลากหลายมากการเที่ยวห้างไม่มีเงินก็ไปเที่ยวห้างนะเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรหรือเพราะว่าติดแสงสีนี่ก็อบายมุกมันมีหลากหลายการเล่นเกมออนไลน์ก็อบายมุกแม้แต่การแชทไม่มีสาระไม่ทําไม่ได้หรือโทรศัพท์มือถือมีบางคนนี่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แค่มสสเสียค่าโทรศัพท์มือถือประมาณส0 0 0มบาท ไม่รู้ว่าเสียไปได้ยังไงหรือว่าใช้เวลาตอนไหนโทรเข้าห้องน้ำก็โทรเว้นแต่เวลานอนไม่ได้โทรเวลากินก็ยังโทรอันนี้เราเป็นอบา ย, ยามุกเพราะมันติดซะแล้วก็ใช้ช่วงข้าวรรษานี้แหละลดละ ไ, ได้นะเดี๋ยวนี้หลายคนนี่ก็บอกว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าที่สุดนี้แปลว่าอะไรอธิษฐานภาษาเนี่ยเือออธิษฐานแล้วก็ตามถ้าจะให้ได้ผลต้อง กำหนดหมายชัดเจนอย่างเช่นพระอธิษฐานพันสาก็บอกว่า3เดือนไม่ใช่เพราะว่าฐานจะทําให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอย่างเช่นถ้าเราจะลดละเรื่องการช็อปปิ้งก็ต้องบอกเลยว่าเออพรรษานี่จะไม่ไปเลยหรือไม่ก็เดือนละครั้งหรือว่าติดโทรทัศน์ติดละครก็บอกว่านี่จะดูโทรทัศน์แค่คือละ1ชั่วโมงหรือคือละสองชั่วโมงก็ว่าไป มันต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนหรือต้องมีกำหนดหมายที่ชัดเจนไม่ใช่ราะว่าฉันจะรลละอเบมุให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าแค่ไหนอธิษฐ า, านก็จะกำหนดไว้ชัดเจนมันจะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบ ว, ว่าทำได้หรือไม่ได้แล้วก็ถ้าาอธิษฐานแล้วก็ต้องทำให้ได้อันนี้ก็ขอให้แต่ละท่านได้ลองไปพิจารณาดูอะไรที่เหมาะกับตัวไม่ต้องมากแค่อย่าง2 อ, อย่างก็พอแล้วสาหรับผู้ฝึกใหม่ หรือบางทีก็าจะเป็นเรื่องของไม่ใช่การลดละแต่หมายถึงการทำความดีก็ได้เช่นทำความดีว่าฉันจะไปช่วยเหลือคนป่วยในโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลเดือนละครั้งนะหรือว่าฉันจะช่วยเก็บพิญนาะช่วยงานของโรงเรียนอาทิตย์ละครั้งนะตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้หรือว่าทุกอาทิตย์ฉันจะตื่นขึ้นมา ให้เช้าเพื่อที่จะทำงานทบทวนบทเรียนตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันนะทางสายกลางแปลว่าทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ผิดนะไม่ได้แปลว่าพอดีพอดีคาว่าพอดีพอดีเนี่ยมันมีคำหนึ่งใช้คำว่าสมะเนะ่เช่นถ้ามีความเพียรแต่พอดีเรียกว่าวิริยะสมะตาขี้เกียดนี่ก็ไม่ใช่ หรือว่าหักโหมมันก็ไม่ใช่ไม่พอดีส่วนใหญ่เรามักบอกว่าขยันแต่พอดีพอดีคือว่าให้มีความเพียรอยู่ในทางสายกลางอันนี้มันไม่ใช่ว่าทางสายกลางจริงมันแปลว่าวิริยะสมมตาหรือว่าใช้ชีวิตแต่พอดีพอเพียงใช้ชีวิตแต่ทางสายกลางคือไม่ตรนีทีเหนียวแล้วก็ไม่พุ่มเฟือยเราก็เรียก ว, ว่าสมชีวิตตาพอดีพอดี มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่มากไม่น้อยนะถ้าไม่มากไม่น้อยนี่มันคือพอดีมันมีคำหนึ่งซึ่งมักจะตามวุตเตสัมมะสัมมะก็สมดุลนี่ก็ใช่สมดุลนี่คือพอดีพอดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของทางสายกลางแปลว่าทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ผิดไม่มากไม่น้อยถ้าไม่มากไม่น้อยนี่เป็นเรื่องความพอดีแต่ว่าทางสายกลางเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องความผิดความถูกไปถูกทางก็เรียกว่าเป็นทางสายกลาง ทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ก็เรียกว่าทางสายกลางมัชเฌนักกัยานธรรมมัชิมาปฏิปทาซึ่งไอทางที่ไม่ถูกเนี่ยก็มีอยู่สองทางใหญ่ๆเรียกว่าทางสุดโตงก็คือการหมกมุ่นมัวเมาในกามและก็การทรมานตนอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อ ว, วานว่าคน ท, ทั่วไปเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้อง พวกพันกับทางสุดโตรงทางสุดตรงไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่เมาหั ว, หวลานา้ำเอาแต่เที่ยวไม่หยุดไม่ย่อนหรือว่าพวกที่เป็นโยคีทรมานตนกดอาหารกินอาหารวันละสองสามเม็ดข้าวสองสมเม็ดหรือว่านอนบนตะปูถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นก็จะเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนเหล่านั้นแต่ที่จริงคนทั่วทั่วไปนี่ ส่วนใหญ่ก็มักจะคล่องแวกอยู่กับทางสุดตงอย่างที่ได้ยกตัวอย่างว่าคนที่เพลิดเพลินในกามยินดียินร้ายเวลาได้ประสบอารมณ์ที่น่าพอใจก็มีความยินดีกินอาหารอร่อยก็เพลิดเพลินได้รับคําชมก็เพลิดเพลินในคําชมนั้นพอถูกตําหนิก็เก็บเอามาคิดครุ่นอันนี้ก็เรียกว่าคล่องแวกกับทางสุดตง ยินดีในคำชมในอาหารที่อริดอร่อยในเพลงที่ไพเราะจนลืมตัวบางคนดูนิยายจนลืมไวลัมเวลาดูละครจนลืมไวลัมเวลานอนหรือเพลิดเพลินในเกมอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เรียกว่ามัวเมาในกามคนที่ถูกตำหนิก็เก็บเอามาคิดโกรธใครก็เอานึกถึงหน้าคนนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางกินก็ ยิ่คิดนอนก็คิดจนนอนไม่หลับบางทีเขาก็ตำหนิเรื่องเล็กๆน้อยๆ น, นะเราก็เก็บเอามาคิดยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แต่ทุกข์ก็ไม่ยอมวางเศร้าโศกเสียใจเพราะพัดพลาดสูญเสียของหายหรือว่าคนรักตายจากไปก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็ยังคิดยังหัวนึกถึงอดีตที่เคยมีเขาอยู่ที่เคยมีสิ่งเหล่าน้ออยู่นึกเสียใจขึ้นมา หมกมุ่นคุณคิดอยู่ในเรื่องที่ทำให้ทุกข์นะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนได้เหมือนกันเป็นทางสุดโตง่งนั่นคนเราเวลาเจออะไรเนี่ยเจอสิ่งที่เป็นบวกก็มักจะเข้าไปเพลิดเพลิพนยินดีอันนี้ก็เรียกว่าสุดโตงแล้วหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่ดีนะที่ไม่ถูกใจก็เก็บเอามาคิดหมกมุ่นอยู่กับมันอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนแล้วเป็นทางสุดโตง หรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยทางสุดตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีไม่เป็นเช่นมีความร่ารวยมั่งคัง่งมีชื่อเสียงเกติยศก็เพิดเพลินมัวเมาประมาทหรือแม้กระทั่งมีสุขภาพดีก็เพลิดเพลินประมาทไม่คิดไม่นึกว่าสักวันจะต้องป่วยนึกว่าฉันนี้นะเป็นคนที่มีความสามารถจะทำอะไรก็ได้หรือมีความกลนกล้าสามารถ ว่หลงไหลายเพลิดเพลินในความเก่งกล้าสามารถนั้นคิว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเก่งใจที่เพลิดเพลินกับการมีนะไม่ว่าจะมียศมีทรัพย์มีชื่อเสียงมีความเก่งกล้าสามารถพวกนี้เนี่ยพอเพลิดเพลินเข้าไปก็เท่ากับว่าหมกมุ่นพัวพันในกามแล้วนะเป็นทางสุดตรงเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยพอมีอะไรแล้วในะมักจะประมาทในทางตรงข้ามเมื่อเสียไป นะเช่นเจ็บป่วยสูญเสียทรัพย์เงินทองล่อยหลอลงไปหรือว่าแก่ชราก็เอาแต่ทุกข์เจ็บป่วยนี่ไม่ใช่แค่ป่วยกายอย่างเดียวใจก็ป่วยด้วยกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจนะอย่างเช่นเป็นมะเร็งนี่อาการยังไม่ทันจะออกเลยเพียงแค่ตรวจพบอาการนี่ก็นอนไม่หลับกินไม่ได้อันนี้เรียกว่าทรมานตนคือ มันมีทุกข์กายอยู่แล้วเนี่ยใจก็ยังเอาความทุกข์ทางใจเข้ามาทับถมตัวเองไม่ว่าทรมานตนไปไหนก็เอาแต่คิดเรื่องนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นการเอาทุกข์มาท่วม ท, ทับตัวเองก็จะเห็นได้ว่าคนเรานี้ทรมานตนอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะทรมานที่ใจสมัยนี้ไม่ค่อยทรมานที่กายมันไปทรมานที่ใจแทนก็เป็นเรากทั้งนั้นแหละอันนี้เรามีไม่เป็น เมื่อมีไม่เป็นแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าสู่ทางสายกลางได้มันก็เข้าไปสู่ทางสุดตรงเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่มีสูญเสียไปก็กุ้มอกกุ้มใจของหายหรือไม่พอใจก็หายด้วยเสียไม่ใช่แค่เสียของเสียใจด้วยนี่เลยว่าสุดตรงนี่เราทรมานตนดังนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่าไอ้เรื่องทางสุดโตงนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนพิเศษคนบางกลุ่มคนกลุ่มน้อยแต่มันคือเรานะคือเรา เราก็ต้องพยายามรักษาชีวิตจิตใจให้อยู่ในทางสายกลางที่จริงทางสายกลางเนี่ยมันมีหลายความหมายมันมีหลายมิติหลายระดับอะไรที่มันไม่ใช่ทางสายกลางนี้ไม่ใช่มีแค่กามสุขาริการนิยคหรืออตักหรือมรรคานิยคผู้อยานี่ถือว่าทางสุดตรงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การทรมานตนและการผัวพันในกามความคิดความเชื่อบางอย่าง มันก็ถือว่าเป็นทางสุดตรงได้เช่นเชื่อว่ามีตัวตนที่ยั่งยืนอ น, นี้เรียกว่าสัสตตตถิทิมีตัวตนที่ยั่งยืนตายไปแล้วก็ยังไปเกิดในร่างอื่นต่อไปเหมือนกับที่คนไทยจำนวนมากเชื่อพอตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่วิญญาณดวงเดิมแต่ไปเกิดใหม่ในร่างอื่นนะอันนี้เรียกว่าสัสสตตตถิทิก็เป็นทางสุดตรงไม่ใช่ทางสายกลางคือมันผิดอีกอันนึงคืออุชเชฐทิทินะก็คือไปคิดว่า ตายแล้วศูนย์หมดลวมทุกข์ก็ศูนย์ไปเลยไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ก็วิชชาทิฏฐิเป็นทางสุดตรงอีกท า, ทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือการที่เห็นว่ามันมีจิตที่เกิดแล้วก็ดับถ้ายังมีเชื้ออยู่ก็ไปเกิดถ้าไม่มีเชื้อถ้าเชื้อหมดแล้วมันก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปเรียกว่าปฏิจจสมุป บ, บาทแม้กระทั่งความคิดว่าเราทุกข์ทุกข์เพราะเราทำนี่ก็ยังถือว่าไม่ใช่นะทุกข์เพราะคนอื่นทําก็ไม่ใช่ แต่ทุกเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเริ่มตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณไปถึงนามรูปผัษาวสยตนะโนนไปถึงตัณหาอุปาทานภพชาติเวล า, าท่าอธิบายทัากอธิบายอย่างนี้คือว่ามันมีเหตุถึงทุกนะไม่ใช่ว่าเราทำหรือว่าคนอื่นทำเหตุนั่นก็คือตัวกิเลสตัวอวิชชานั่นเองตอนวนี้เนี่ยก็อยากจะพูดตอไปว่า เราเข้าใจเรื่องทางสายกลางเนี่ยนะมันก็จะทําทให้เราดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ไม่ผิด <c oughs> ไม่พลาดที่บอกไว้แล้วว่าทางสายกลางเนี่ยมันมีความหมายที่หลากหลายมากนะอย่างห ย, ยาบๆก็อย่างที่ว่าก็คือว่าไม่ใช่ทางที่เป็นการทรมานตนและไม่ใช่เป็นทางที่เป็นการพัวพันในกามถาลิย์นหน่อยก็เป็นเรื่องการไม่ยินดีเมื่อได้เจอหรือมี สิ่งที่น่าพอใจหรือได้เสพอารมณ์ที่ทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นแล้วก็ไม่ยิน้ายเมื่อเจออารมณ์หรือเมื่อสูญเสียเมื่อเจออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือเมื่อสูญเสียของรักบางทีท่านก็ละเอียดไปถึงขั้นว่าแม้จะปฏิบัติคนที่ปฏิบัติทางจิตเช่นสติปัฏฐานเนี่ยถ้าปล่อยใจลอยอันนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าถ้าเพ่งไปก็ไม่ใช่ ก็เรียกเป็นทางสุดต่งเหมือนกันนะถ้าเผลอนี่ก็สุดตง่งถ้าเพ่งก็สุดตรงเพราะมันผิดทางมันไม่ใช่ทางมันไม่นําไปสู่สติปัฏฐานได้สติปัฏฐานคือว่าให้มีความรู้ตัวไม่ผักไสนะไม่ผักไสในอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็ไม่ไปยุดติดอะในอารมณ์ที่มันพึงปรารถนาแต่ น, นี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดซึ่งสำหรับที่นักปฏิบัติก็ได้คุยกันในเรื่องนี้ต่อไป นะแต่ว่าอยากจะให้เราได้เข้าใจนะเรื่องทางสายกลางให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้ทั้งสติและก็ปัญญาเข้ามาประกอบด้วยเพราะคนเราเนี่ยมักจะยินดีหินลล่อยู่เสมอใครก็ชมเราแล้วก็เพลิดเพลินหลงไหลเรียกว่าตัวลอยใครก็ตำหนิเราใจแล้วก็ตกนะจิตเราตกแม้แต่ขับรถในเวลา เจอไฟเขียวโอ้ก็ดีใจนะถ้าเป็นคนขับรถถ้าเจอไฟแดงจิตมันก็ตกเสียเวลายังไม่พ อ, อยังเสียใจอีกนะเสียใจมานั่งกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจว่าเมื่อไหร่ไฟจะเขียวสักทีนี่เราเวียงไปในทาง2ทางอยู่เสมอคือยินดียินไล่ไม่ได้มีความพอดีหรือว่าผู้อย่างนี้ก็ไม่มีความเป็นปกติในจิตใจถ้าคนที่ อยู่ในทางสายกลางมีสติมีปัญญาก็ก็จะวางจิตไว้อยู่ตรงกลางกลางกลางคือว่าไม่หยินดีไม่ยินไายนะแม้จะเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็สามารถที่จะมีจิตตั้งมั่นอยู่ได้เป็นปกติในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธนะสิ่งที่มันเป็นความสุขนะสิ่งที่เป็นความสุขแม้ทั้งความสุขทางกามก็ไม่ได้ปฏิเสธกินอาหารอร่อยก็ไม่ได้ปฏิเสธอาหารอร่อย อยู่ในที่เย็นสบายก็ไม่ได้ปฏิเสธที่เย็นสบายเพียงแต่ว่าอย่าไปยึดติดหรือไปเพลิดเพลิมลหลงใหลกับมันสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเพราะบางครั้งความทุกข์มันก็ดีเหมือนกันมันสามารถช่วยทำให้เราฝึกฝนตนเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันแบบผิดผิดก็คือเอาความทุกข์นี้มาในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่าน แน่ว่าให้เกี่ยวข้องกับความทุกข์และความสุขอย่างถูกต้อ ง, กองเกี่ยวข้องอย่างไรอย่างแรกคือว่าไม่เอาความทุกข์มาทับถมตนอย่างแรกเลยสําคัญที่สุดเลยคือไม่เอาความทุกข์มาทับถมตนเช่นเวลาป่วยเนี่ยเราป่วยกายแล้วเนี่ยจะไปป่วยใจด้วยคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้แค่ป่วยกายอย่างเดียวป่วยใจเวลาป่วยนี่ก็กลุ้มหมกกลุ้มใจหรือกลัวตื่นตระหนกมีคนหนึ่งไปโรงพยาบาลไปหาหมอ นี่เป็นชาวบ้านไปแล้วไปเล่าท้ายวันหนึ่งหมอก็บอกความจริงว่าเนี่ยป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนอยู่ได้แค่12วันก็ตายที่ตายนี่ไม่ใช่พระก้อนมะเร็งนะแต่เพราะใจยังนี่ว่ า, าเอาความทุกข์มาทับถมตนเพราะว่าใจมันคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาว่าถ้าเป็นมะเร็งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคิดถึงความตายแล้วก็หดหูเศร้าหมอง ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางบินก็ทุกนอนก็ทุกเอามือกายหน้าผากอย่างนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนี่เราเอาทุกมาทับถมตนถ้ามันป่วยกายก็ให้ป่วยแต่กายใจอย่าป่วยด้วยของหายก็หายแต่ของแต่ใจไม่หายเสียแต่ของไม่เสียใจนะแต่ส่วนใหญ่ก็เสียของไม่พอต้องเสียใจด้วยนี่เราเอามาทับถมตนของหายนี่เราไม่ไม่มีใครที่จะ ประกันได้ว่าจะไม่มีของหายนะแต่ว่าเรื่องการรักษาใจไม่ให้มาเจียเสียใจนะั้นมันทําได้ถ้ามีสติอันประการแรกอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยต้องไม่เอาทุกมาทับหนตนอันที่2อคือว่าไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบธรรมความสุขอะไรที่ชอบทำเนี่ยนะที่แต้มาด้วยน้ําพักน้ําแหลงเราก็ไม่ปฏิเสธนะพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธนะ เช่นเราทํามาหาเงินมาได้เราก็ได้สิ่งอํานวยความสะดวกเครื่องอานวยความสะดวกมีพัดลมมีตู้เย็นมีบ้านที่อบอุ่นเย็นสบายเราก็ไม่ปฏิเสธไม่ใช่ว่าต้องไปปฏิเสธมันทําตัวอย่างตันีทีเหนียวไม่ใช่สูกใดที่ได้มาโดยชอบทำก็ไม่ปฏิเสธอย่างเช่นพระนี่หรือว่าใครก็ตามทําตัวนิทาศรัทธาก็าเอาอาหารที่ประณีตมาให้ก็ไม่ปฏิเสธ เอาจีตวันมาถวายที่ดีก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าต้องมีข้อที่สามก็คือว่าไม่หมกมุ่นในสุขนั้นไม่หมกมุ่นยอมติดเป็นธาตในสุขนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเออเขาให้อาหารอร่อยมาหรือว่าเราไปซื้ออาหารที่อร่อยมาด้วยเงินของเราเองมันอร่อยแล้วเราก็ติดไม่มีไม่ได้ไม่ได้กินไม่ไ ด, ไได้ให้คนส่วนใหญ่มักจะติดติดในความสุขที่ตัวเองมีอย่างที่บอกไว้แล้วนี่ก็คือ ทางสุดโตง่งต้องเป็นอิสระต้องรักษาใจให้เป็นอิสระจากสิ่งนั้นให้ได้นอกจากรักษาใจใเป็นอิสระแล้วก็ต้องพยายามภาคเพียนเพื่อให้ได้สุขที่ยิง่งยิ่งขึ้นไปหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อให้ความทุกข์มันหมดสิ้นไปนี่เป็นข้อที่4ี่คนเรานี่ที่เรารักษาใจให้เป็นอิสระจากการมาสุขเพื่อว่าจะได้เข้าถึงสุขที่เป็นนี่ยิง่งยิ่งขึ้นไปเป็นสุขที่อยู่เหนือสุขเป็นเสรีภาพ เป็นสิทธิที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้แต่ส่วนใหญ่เข้าไปไม่ถึงเพราะมันไปติดข้อที่3ไปติดข้อที่3คือไปหมกมุ่นพัวพันไปยึดติดในสุขที่มีแม้จะเป็นสุขที่ชอบทำก็ตามแต่พอไปยึดว่าเป็นสุขของเราเป็นสุขของเรานี่บ้านของเรารถของเราแก้วแหวนเงินทองของเราอันนี้เตรียมใจทุกไว้ได้เลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่เที่ยง อันนี้คือโทษของมันโทษของการมาสุขหรือโทษของสุขต่างๆเพราะว่ามันประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยที่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงให้เราก็ต้องพยายามที่มีสติมีปัญญาจนกระทั่งเป็นอิสระจากมันเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงสุขที่ประณีตที่เป็นสุขเหนือสุขหรือบางทีท่านก็ใช้คาว่าพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงอย่างในศีระกาณนี้เนี่ยนะคนจานวนมากเนี่ย นอกจกติดข้อที่1กับติดข้อที่3คือว่าเอาทุกมาพ่วมทับตนเองแล้วก็หมกมุนในความสุขซึ่งก็เป็นทางสุดโตงอย่างที่พูดไปแล้วนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาเอาการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดสติและปัญญานี่แหละที่มันจะเป็นทางที่นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ นี่สิปัญญาเนี่ยมันทำให้เราสู่ความพ้นทุกข์อย่างไรทําให้เราสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะมันทําให้เรารู้จักทุกข์เป็นอย่างแรกเลยพอเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องรู้จักทุกข์ในปฐมเทศนานเนี่ยไม่ได้พูดแต่เรื่องทางสายกลางจริงๆนั่นพูดเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือเรื่องอริยสัจอริยสัจสี่เนี่ยข้อแรกก็คือเรื่องทุกข์สัจจะอริยสัจข้อแรกคือทุกข์แตาไม่ได้บอกแค่ว่า มีทุกสมุทรทยนิโรธมรรคท่านยังบอกต่อไปว่าจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเรืองกิจในอริยสัจส่วนใหญ่คนไทยเรารู้จักแต่ว่าอริยสัจสี่ว่ามีทุกสมุทรไทยนิโรธมรรคถามก็ตอบได้แต่มักจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าควรจะเกี่ยวข้องกับอริยสัจสี่แต่และข้ออย่างไรบ้างการเกี่ยวข้องกับอริยสัจแต่ละข้อหรือว่ากิจในอริยสัจทุกข้อแรกนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับมันอย่างยังไรก็คือต้องรู้ทุกไม่ใช่ดับทุก Palm, นะดับที่ต้องไปดับที่ตัวสมุทรไทย ทุกนี้มีไว้เพื่อรู้แต่คนเราเนี่ยเจอทุกยอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ทุกนะเหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ํานอนไม่เห็นอาจจมนกนี่นไม่เห็นฟ้ามันอยู่กับฟ้าตลอดเวลาปลาไม่เห็นน้ําเพราะว่ามันชินตาอะไรที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานี่มันชินตาจนทั้งไม่สังเกตแล้วก็เลยลืมไปเลยมองไม่เห็นแล้วคนเราอยู่กับทุกตลอดเวลาแต่ไม่เห็นทุก เวลาทุกข์ก็ไม่รู้ตัวว่าทุกข์นะเวลาโกรธก็ไม่รู้ตัวว่าโกรธเวลากลุ้มก็ไม่รู้ตัวว่ากลุ้มเวลาโกรธเนี่ยใจทำไมถึงไม่รู้ตัวว่าโกรธเพราะใจมันคิดแต่จะตอบโต้หรือใจมันเอาแต่บ่นเอาตะกลนด่าว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นเวลาเกลียดใครเนี่ยใจมันเอาแต่คิดหาทางตอบโต้หาทางกลนด่าคนที่เราเกลียดจนลืมกลับมาเห็นตัวเองกลับมาเห็นใจก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองนี่กําลังโกรธอยู่ คนเราทุกนี่ไม่รู้ว่าทุกนะเวลาทุกเพราะความป่วยทุกเพราะความเจ็บความไข้เนี่ยก็จะไปคิดว่าที่ทุกนี่เพราะว่าความป่วยความไข้แต่ไม่ได้ดูว่าไอ้ที่ทุกจริงๆคือทุกใจไม่ได้ทุกกายไปคิดว่าโอ้โรคภัยไข้เจ็บมาทําให้ฉันทุกข์แต่ไม่ได้เห็นเลยว่าจริงๆไอ้ใจของตัวเองต่างหากที่มันสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าไม่เห็นทุกเหมือนกันนะไม่รู้ทุกไม่เห็นทุก พอเวลาถูกความตุกคร่อมงามละเนี่ยใจมันมืดใจมันบอดกเรียกว่ามืด8ด้านคนเรากลุ่มอกกลุ่มใจในมืด8ด้านมันก็เลยไม่เห็นอะไรไม่ใช่แค่ไม่เห็นทางออกอย่างเดียวนะไม่เห็นหรือไม่รู้ว่าตัวเองกาลังทุกข์ด้วยไม่เห็นความทุกข์ไม่รู้ทุกข์นีส่สติถึงสําคัญสติถึงสําคัญมากเพราะว่าจะทําให้เราได้รู้ว่ากําลังทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ด้วยเนี่ยเพียงแค่ข้อแลกนี่คนเราก็ทําได้ยากแล้ว เพราะว่าถูกความทุกข์มาเล่นงานจนเมาจนมืดบอดแต่ถ้าเรามีสตินี่เราก็จะหลุดออกมาจนเห็นว่าโอ้คือรู้ตัวผูดง่าย ร, รู้ตัวกําลังทุกข์อยู่รู้ตัวก่าลังโกรธอยู่รู้ตัวก่าลังเครียดอยู่และถ้ารู้ต่อไปมันก็จะรู้เห็นว่าไอท้ที่ทุกข์ที่โกรธเนี่ยไม่ใช่เรานะแต่มันเป็นกายหรือใจเวลาเครียดใหม่ๆนี่ก็ไปคิดว่าฉันเครียดฉันเครียดเวลาโกรธก็ไปคิดว่าฉันโกรธ อันนี้ก็ยังดีนะดีกว่าที่ไม่รู้เลยแต่ถ้ารู้ให้ดีก็จะเห็นว่าไอ้ที่โกรธที่เกลียดที่เครียดนี่ hurt, ไม่ใช่เราแต่มันเกิดขึ้นกับใจของเราต่างหากมันเป็นใจนะที่ทุกข์มันเป็นใจที่โกรธมันเป็นใจที่เครียดแต่ไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราเครียดและถ้าเห็นต่อไปก็จะเห็นได้โอ้มันเกิดขึ้นที่ใจก็จริงนะอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจก็จริงแต่มันมีนคนละส่วนกับใจมันคนละส่วนกับจิต แต่เพราะจิตมันไปยึดต่างหากมันก็เลยทุกการเห็นมันก็จะละเอียดประหนี่ไปเรื่อยๆเริ่มจากรู้ว่าเราทุกข์และต่อไปก็รู้ว่าไม่ใช่เราทุกข์แต่มันเป็นใจที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์แต่มันเป็นกายที่ทุกข์เช่นเวลาป่วยเวลาเจ็บเวลาเมื่อยมันเป็นกายที่เมื่อยไม่ใช่เราเมื่อยมันเป็นกายที่เจ็บไม่ใช่เราเจ็บและดูต่อไปก็เห็นว่าโอ้มันไม่ใช่แค่เจ็บที่กายมันเจ็บที่ใจด้วยนะใจมันโบนใจมันวอยไว ย่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยทุกกายน้อยแต่ทุกใจมากบางทีก็ทุกเพราะมีสิวบางทีก็ทุกเพราะดูแห้งผมแตกปลายบางทีก็ทุกเพราะเพื่อนเขาไม่ชื่นชมยินดีเราทุกเพราะงานบางทีงานสบายแต่ก็ทุกอยู่บนรถอยู่บนถนนก็ทุกเพราะรถติดชั้งที่อากาศในรถเย็นสบายฟังเพลงเพราะแต่ก็ยังทุกคนเราทุก์ที่กายไม่เท่าไหร่แต่ทุกที่ใจนี่เยอะสติมันทาให้เราเห็น เราเห็นว่าโอ้ให้ที่ทุกเนี่ยมันทุกที่กายมันทุกที่ใจมันไม่ใช่เราทุกแต่มันเป็นกายหรือใจที่ทุกแล้วก็เห็นต่อไปว่าโอ้ให้ทุกที่ใจจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นอีกตัวหนึ่งหางมันเป็นตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจและใจก็ไปยึดมันก็เลยเป็นทุกแต่ถ้าใจไม่ยึดมันก็คนละส่วนก็จะเป็นคนละส่วนกันอารมณ์ก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่ง ถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไปยึดใจก็ไปแบกเอาไว้แต่ถ้ามีสติใจก็วางเห็นความเครียดเกิดขึ้นที่ใจเห็นความทุกข์ที่ใจแต่ใจไม่ทุกข์แล้วนะทีนี้เห็นความโมโห О เกิดขึ้นที่ใจนะแต่ใจไม่ทุกข์ละมันเป็นคนละส่วนกันนี่จะได้การรู้พวกนี้มันมันรู้ได้ละเอียดนะรู้ได้เป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนและการที่คนเราจะหลุดจากความทุกข์ได้มันต้องเห็นตรงนี้ก่อนคือต้องรู้ทุกข์ก่อน ในความหมายอย่างที่ว่ามาที่จริงยังรู้ได้ละเอียดกว่านั้นนะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าพูดเท่านี้ก็หลายคนก็งงแล้วแต่เอาเป็นว่าอย่าง น, น้อยๆเนี่ยเวลาทุกข์ก็ให้รู้ตัวว่ากําลังทุกข์อยู่ก็แล้วกันแนะช่ว่าจมอยู่ความทุกข์จนกระทั่งลืมตัวนะลืมตัวแล้วก็เลยลืมใจไปด้วยเดี๋ยวนี้คนเรา เ, าเวลาเจอความทุกข์มันก็ลืมตัวเจอความสุขก็ลืมตัวลืมทั้งกายลืมทั้งใจเพราะว่าไปพัวพันอยู่ในสุข หรือว่าไปหมกพุ่นอยู่ในคุกเนถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยอริยสัจสี่ทางสายกลางหรือว่าปฐมเทศนาเนี่ยมันก็จะมีความหมายกับเราถ้าเราไม่เข้าใจก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องท่องจําเอาไว้สอบหรือเอาไว้พูดเพื่อแสดงว่าฉันเป็นชาวพุทธฉันรู้ว่าปฐมเทศนานี่พระองค์แสดงธรรมเรื่องอะไรหรือว่าถ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องมาวัดเพื่อมาเวียนเทียนในวันอาสาฬหะมาคะวิสาขะ แต่ไม่รู้ความหมายว่าทําไปเพื่ออะไรรู้แต่ว่ามันเป็นประเพณีที่ชาวพุดธวรทําซึ่งก็ดีดีกว่าไปเที่ยวแต่ว่าถ้าเราเข้าใจความหมายมันก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเพราะว่าจะสามารถในการปรับปรุงชีวิตจิตใจของเราให้ห่างไกลจากความทุกข์แล้วเข้าถึงความสุขที่ประณีตโดยที่ไม่ไปปัวปันหมกมุ่นสยบ ก, กับมัน